ขอน้อมอๆต่อคุณพระธนทริยโอรกาสเพื่อนสนามีทุกท่าน <c oughs> จเจริญธรรมแม่ทีระยะติ่ทาทุกท่านก็ <c oughs> นั่งสบายๆเนาะรู้สึกตัวไป <c oughs> เราก็มาฝึกเจริญสติกันเนาะคำว่าเจริญสติก็คือการกลับมารู้รู้กายรู้ใจนั่นเองเนาะรู้กายรู้ใจนี่แหละมันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาการเจริญสติเนาะ เพราะคำวัสติก็คือการที่เราระลึกได้นะระลึกได้ในกายในใจเรานะ <c oughs> บางทีคิดว่าอ่าบางคนปฏิบัติทำแล้วนะมันเหมือนกับว่าต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมต้องให้ <c oughs> จิตสงบนะหรือไม่ก็ได้คุณวิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะได้มีปิติมีความสุขนะได้อ่าอาจจะเห็นนิมิตต่างๆนะนั้นก็เป็นเป็นความเข้าใจอีกอีกอีกอกออย่างหนึ่งนะ ว่ามันจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยากนะบางคนปฏิบัติต้องหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีความทุกข์หรือได้แล้วมันก็หายไปเราก็มีความทุกข์วนเวียนอยู่เช่นนั้นนะบางครั้งจิตสงบเราก็มีความชอบใจเพอจิตไม่สงบก็ไม่ชอบใจต่างๆเหล่านี้เนาะแต่จริงๆแล้วนะ่ะท่านมาดูคําสอนของพระเจ้าในะท่านท่านให้กลับมารู้ในเรื่องธรรมดาธรรมดาของเราเท่านั้นเองอธรรมดาของเรานะเป็นอย่างไรเนาะพระพุทธเจ้าบอกว่า อย่างที่เมื่อวานเราสวดไปแล้วนะสติปัฏฐาน4ี่ยืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งให้รู้นั่งนอนให้รู้วนอนนะนี่ก็คือเรื่องปกติทํามดางของเราเนี่ย <c oughs> กลับมารู้ในสิ่งนี้เป็นปกติของเราเท่านั้นเองใช่ไหมหรือไม่ก็ในสมัญชัญญาปปพาก็บอกว่ า, าเหลียวซ้ายแลกวา่าเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจิตวอนสังขติ ดื่มลิ้มกินเคี้ยวนะอุจลาราปสวาห์ก็ให้รู้สึกตัวนะก็คือกลับมารู้ในเรื่องธรรมดาของเรานี่แหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมต้องกลับมารู้เรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเราไม่เคยอยู่กับเรื่องธรรมดาของเราเลยใช่ไหมนะกายขอยงเราอยู่นี่นะกายเราบางทีเรานั่งอยู่นี่นะแต่ใจแล้วก็หนีไปแล้วใช่หมหนีไปอดีตอนาคตนหนีไปบ้านห น, น, นีไปนู่นไปนี่คือมันกายและใจมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ ตรงนี้ก็เรียกว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะใจมันก็หนีนะ่ะหนีไปจําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็นี้เราก็เมื่อมีความรู้สึกตัวนะตอนนี้เราจะสร้างยังหวะหรือว่าพลิกมือความพลิงมือหงายหรือว่าเอามือเคาะเคาะก็ได้นะอันนี้ถ้าฟังไปด้วยก็ทําไปด้วยก็ดีน่ะจะได้เข้าใจนะมันก็รู้สึกบ้างใจมันก็กลับมาใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีใจเนี่ยสำคัญใช่ไหมใจเนี่ยก็เรียกว่า มีความสำคัญที่สุดนะใจมันหนีไปปั๊บเนี่ยแต่ว่าเมื่อรู้สึกตัวมันก็มันก็กลับมาได้ใช่ใจมันก็กลับมากลับมาทาไมกลับมารู้ใช่ไมกลับมารู้ตอนนี้เรายกมือเราพลิกมือความพลิกมือหงายมือข้อข้อเนี่ยใจมันก็กลับมาใช่ไหเพราะมันกลับมารู้นั่นเองใช่รู้ที่ไหนก็รู้ที่กายนั่นแหละใช่เพราะนั้นนะความที่มันเป็นธรรมดานี่แหละเราเราก็จะหลงไปใช่ แต่เมืใดที่ใจมันกลับมารู้มันก็จะอยู่กับปัจจุบันนั้นเองใช่ไหมเพราะความหลมมันเข้าไปในอดีตหรือนาคตเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าให้เรารู้ในเรื <h ung> <h ung ่องธรรมดาในจิตประจมบัตของเราก็คือให้อยู่กับปัจจุบันนั้นเองนะก็คือมันไม่ต้องเข้าไปในอดีตนาคตเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องคิดนะมันเป็นความจริงใช่ไหมความจริงในขณะนี้ไหนเช่นเรานั่งเราก็ไม่ต้องคิดว่าเรากําลังนั่งหรือนั่งหนอ แต่มันเป็นความจริงอยู่แล้วนะมันเป็นความรู้นะมันไม่ได้ไม่ได้ใส่ความคิดหรือเรายกมืออ่ามือพลิกมือคว่มพลิกมือหงายเราก็ไม่ต้องคิดว่ากระปังยกอะหรือพลิกมือต่างๆเหล่านี้นะความมั น, เ ป, นเป็นความจริงใช่ความจริงก็คือเราสามารถรู้ได้ทันทีเราไม่ต้องใส่ความคิดหรือว่าการที่เราได้ยินเสียงอันนี้ก็คือความจริงนะ หรือการนี้เรากระทบอากาศเย็นๆก็คือความจริงนะพวกนี้เราไม่ต้องคิดเลยเป็นความรู้ทั้งหมดใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรเนาะเราเราต้องคิดแล้วใช่ไหมทานข้าวอะไรต้องคิดหรือบรนูุนทําอะไรก็ต้องคิดนะหรือพุ่งนี้จะทําอะไรก็ต้องคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมันอดีตนะคตมันไม่ใช่เป็นความจริงมันมันเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นคําว่าอาดีตหรืออนาคตมันนะมันเป็นแค่สมมุติเท่านั้นเองนะหรือว่าเมื่อวานหรือพรุ่งนี้ก็เป็นสมมุติเท่านั้นเองเพราะมันมันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงแต่มนันเป็นเป็นความคิดของเราเท่านั้นนะแต่ความที่มันมีอยู่จริงก็คือขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นแหละเพราะนั้นจริงๆริงเราในชีวิตเราตั้งแต่เกิดมามันจะมีความจริงในขณะนี้เท่านั้นเองนะ <emen> คือเราจะอยู่กับตรงนี้เท่านั้นเองใช่ไหมนอกนั้นคือความคิดทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มัน มันเราอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ว่าใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันจะไหลเข้าไปในอดีตเลยนะคนุเราต้องนําเข้ามาอยู่กับปัจจุบันด้วยเพราะฉนั้นพระพุทเจ้าก็เลยให้เรา อ, อยู่กับตรงนี้นั่นแหละรู้อะไรตรงนี้รู้ความจริงในตรงนี้เท่านั้นเองมันรู้นะไม่ได้ไปคิดถึงความจริงแต่เรานะรู้ใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราสามารถรู้ได้ใช่ไหมแต่การที่มันรู้นะบางทีบอกบางคนบอกว่าโอ้เราเราก็ตั้งใจดูใจได้ไหมดูดูความคิดได้ไหมดูความโกรธได้ไหม อันนั้นมันเป็นวิธีการที่คนที่ชํานาญแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะดูอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องนะแต่ว่าคนที่ไม่ชํานาญก็ไปเพ่งไปจ้องมันก็เกิดความเครียดความมึนอ่ะต่างๆตามมาใช่ไหมพ้นวิธีการง่ายๆที่จะอยู่กับไปบันก็คือเรามามารู้ที่ฐานกายใช่อหมรู้ฐานกายทีอย่างที่พระเจ้าบอกนะยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดิน น, นั่งรู้นั่ ง, น, ง, น, งนอนรู้ว่านอนแล้วก็บทย่อยต่างๆเยอะแยะใช่ไหม เมื่อเรากลับมารู้ที่ฐานกายนะเราก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรามีการพลิกมือความพิกมือหงายก็ดีนะถ้าเราไปรู้สึกในตรงนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วะนะมาการที่เราอยู่บนี้เราสังเกตว่าเราไม่ต้องใส่ความคิดแต่เราเป็นความรู้นะความรู้ความรู้นี่มันมันดีอย่างไรนะคือมันออกจากความคิดได้ใช่ไหมแม้แต่ความคิดเนี่ยก็ก็นำความทุกข์มาให้เราเยอะแยะนะ น้ำนู่นน้ำนี้ความทุกข์ต่างๆแล้วก็เป็นการปรุงแต่งในในความคิดเหล่านั้นด้วยแต่เมื่อเรารู้ปั๊บเนี่ยสังเกตดูน ะ, ะความคิดมันก็เริ่มน้อยลงเริ่มเบาลงใช่ไหมครั้งนี้เมื่อก่อนนะั้นเราก็ถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็อาจะมีการไหลเข้าไปอยู่ในประจํานะคือความคิดก็มี2 อ, อย่างคือตั้งใจคิดและความไม่ตั้งใจคิดนะแต่ว่าความไม่ตั้งใจคิดนี่แหละเราตรงนี้มันเรียกว่าเป็นความหลงใช่ไหม เมื่อก่อนจะหลงทั้งวันนะบางคนที่ไม่เคยปฏิบัติรำอย่างนี้เลยก็คือวั น, ว, นวันหนึ่งล้วก็หลงคิดทั้งวันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังหลงเพราะว่าเราเราเป็นความเคยชินของเรานะแต่เมื่อเรามีความรู้ตัวนะเราพลิกมือความพริงมือห่ายปั๊บมันก็เริ่มจะกลับมารู้สึกนะกลับมากลับมาใช่ไหมก็คือมันเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นเองเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเพราะเมื่อก่อนก็เรียกว่า มันก็ไปข้างเดียวนะตลอดนี้มันกลับมามันเกิดการชักกระเยยกันขึ้นระหว่างความหลงและความรู้ใช่ไหมเริ่มชักกระเยยแล้วนะเมื่อก่อนมันหลงอย่างเดียวตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วนะชักกระเยยกลับมาบ้างแล้วนะชักกเยยกลับมาได้อย่างไรเพราะมันเกิดความรู้ความรู้ขึ้นมาในกายนั่นเองนะอ่าคราวนี้เราก็รู้ในกายอ่าเมื่อเราสามารถรู้ในกายกลับมาสังเกตกายกลับมารู้สึกในกายอ่สัมผัสรู้กระทบรู้เหลือคลื่นไหวรู้เนี่ยเขาเรียกเป็นความรู้นะ ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดสภาวะอย่างหนึ่งก็คื อ, อความรู้สึกตัวขึ้นมาใช่มความมุขตัวก็คือกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นอยู่กับปัจจุบันธรรมนะความหลงก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงแล้วเราก็เริ่มสังเกตเขาได้นะสังเกตได้ตอนนี้เราลงไปแล้วนะสังเกตได้ตอนนี้เราคิดไปแล้วนะตอนนี้เราฟุ้งซ่านแล้วนะตอนนี้เราเผลอไปแล้วนมันเกิดการสังเกตได้นะ สมัยก่อนเราไม่เคยสังเกตในเรื่องพวกนี้เลยเพราะเราหลงทั้งวันไม่เคยสังเกตเลยคือคนทั่วไปจะไม่รู้ว่าหลงพราะมันจะไม่มีการสังเกตเลยแต่เมื่อเราเริ่มรู้แล้วมันเริ่มสังเกตแล้วเมื่อกี้มันหลงไปเมื่อกี้มันเผลอไปแล้วนะเมื่อกี้มันฟุ้งซ่านไปแล้วนี่มันเริ่มสังเกตได้แล้วนี่แหละคือการที่เราเห็นอาการของจิตใช่ไหมมันเริ่มเห็นอาการแล้วมันก็เริ่มเห็นเออตอนนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรนะ จากเมื่อก่อนที่จิตเราจะส่งไปดูข้างนอกตลอดใช่ไหมเรามองไปก็จะเห็นมองไปข้างนอกก็จิตก็ส่งไปด้วยนะ เ, เห็นตรงไหนสวยสวยงามก็จิตก็ส่งไปนะใช่ไหมหูได้ยินเสียงอะไรก็ส่งไปนะแต่มันไม่เคยย้อนกลับมาดูเลยไม่เคยย้อนกลับมาศึกษาใจเราเลยนะเป็นอย่างไรมันไม่เคยกลับมาศึกษาเออมันรู้สึกไหมมีความรู้สึกอย่างไรมันไม่เคยรู้นะแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นความโกรธความรักความชังใช่ไหมมันมันปรุงแต่งเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหม ใครมาดา่าเราปุ๊บเราก็คือเรามันเคยส่งนอกอยู่แล้วมันก็ปี๊ดแตกไปเลยมันก็ส่งไ ป, ออไปเพ่งโทษคนก็มาดา่าเราเลยแต่เราไม่ได้สังเกตจิตแล้วเมื่ก่อนนี้มันโกรธแล้วไม่เคยสังเกตแต่ยังส่งจิตไปเพ่งโทษคนอื่นใช่ไหมก็ามาดา่าเราปุ๊บโกรธทันทีนะเพราะเราไม่มีความชํานาญในการกลับมาไ ม, ไม่ได้ชํานาญในการกลับมาคราวนี้เมื่อเราเคยมาฝึก ในทักษะที่เรากลับมารู้สึกกลับมารู้สึกเห็นมันหลงไปกลับรู้สึกมันก็คือทักษะในการกลับมานั่นเองกลับมารู้ ร, รู้กายรู้ใจตรงนี้เวล า, เามีการคนเข้ามาด่าจนเรายัางเก่าซึ่งเมื่อก่อนเราเคยโกรธนะส่งไปข้างนอกโกรธเขาไปเพ่งโกรธเขาแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นมันจะกลับมาด้วยความที่ทักษะที่เราฝึกใหม่แต่กลับมาสังเกตใจเราได้โอ้ตอนนี้มันรู้สึกขัดเคืองแล้วนะตอนนี้มันรู้สึกรุ่มร้อนนะตอนนี้มันรู้สึกไม่พอใจ มันรู้สึกหงุดหงิดนะมันจะเห็นที่ตรงนี้ได้นะมันก็เมื่อมารู้สึกแล้วมันก็ความโกรธมันก็ลดลงคือมันแทนที่มันจะโกรธมันก็เห็นไอ้ตัวแรกๆก่อนมันก็ความโกรธมันเข้าไม่ถึงนะเพราะเริ่มมีสติแล้วรู้ทันใจเราเริ่มจะโกรธแล้วนะเพราะฉะนั้นความโกรธก็เลยลดน้อยลงหรือมันอาจจะไม่โกรธนะตรงนี้คือกําลังของสติในการสามารถระลึกได้นะระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้ว กาลึกได้กลำหมุดหงิกกงไม่พอใจกำโกรธเนี่ยมันมีกําลังในการที่จะกลับมากลับมาลู่ทันความคิดเราลู่ทันอารมณ์ของเราได้ตรงนี้ก็เรียกว่าสําคัญมากนะเพระหลวงพ่อเทียนก็เลยบอกว่ า, าผู้ใดเห็นว่าจิตไปคิดผู้นั้นก็ได้ต้นทางของการปฏิบัติธรรมก็คือจริงๆแล้วความลูกตัวทั้งหมดเพื่อกลับมาเห็นจิตเท่านั้นเองใช่ไหมกลับเห็นจิตนี่เขาเป็นอย่างไรนะเขาคิดลู่ทันไหม เขาหลงรู้ทันไหมเขาโกรธรู้ทันไหมเขารักรู้ทันไหมตรงนี้มันคือสติในการที่จะกลับมารู้ความจริงของกายและใจนะเพราะฉะนั้นในในขั้นแรกเราก็ต้องมารู้ที่กายก่อนใช่ไหมกายเป็นอย่างไรก็รู้ในตรงนี้ไปก่อนเมื่อเรารู้ในตรงนี้มันจะได้ไม่ไปเพ่งจิตใจนะมันมันต่างกันนะถ้าคนที่ไม่รู้วิธีนี้ก็จะไปคอยดูจิตดูใจถ้าดูไม่ถูกทามันก็จะไปเครียดไปนั่นไปตึงเพราเราไปตั้งใจดูแต่เมื่อเรามารู้สึกที่กายแทนแล้วมันก็สามารถจิต สังเกตจิตใจได้ได้ไวได้ง่ายขึ้นนะมันเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เราว่ามันเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิตให้ให้จิตเขามีเครื่องอยู่ปั๊บเนี่ยต่อไปเมื่อเขาออกจากตร ง, ตรง เ, รรนนะเครื่องอยู่นี่เราก็รู้ทันนะเมื่อให้มีเขาเครื่องอยู่อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมอยู่ปัจจุบันพอเขาไหลเข้าไปในอดีตไหลไปในอนาคตเรารู้ทันทันทีเพราะว่าเขามีเครื่องอยู่แล้วนะก็ใส่กายปเป็นเครื่องอยู่นะครา้นี้เราก็อาศัยตรงนี้นะมามาไปทำกัน เราก็วางใจสบายๆเนอะเรื่องวางใจสบายๆนี่สําคัญมากแล้วก็ไม่ไปเพง่งไม่ไปจ้องเนาะสมัยก่อนที่พระอาจารย์ไปศาลไปอยู่ที่วัดสนามไร่ใหม่ๆนะตอนนั้นท่านตั้งใจไปอยู่หนึ่งเดือนเนาะครั้นี้ท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจมากนะตั้งใจทําจริงนะในสามอทิตแรกในท่านเคยเพ่งไปจ้องคอยดูความคิดคอยตะคุกความคิดปรากฏว่าท่านก็มีความเครียดนะมีความแน่นแล้วก็ตึงแล้วบางครั้งก็มึนหัว นะถ้ารู้สึกว่าวิธีนี้คงจะไม่เหมาะสำหรับท่านแล้วมั้งนะท่านก็คิดว่ามันไม่เหมาะแล้วก็ว่าจะไปอยู่ที่สวนโมกแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์เพราะท่านตั้งใจอยู่หนึ่งเดือนครั้นี้ท่านก็ไม่คิดว่าจะทําไม่อยากจะทําวิธีนี้ต่อไปแล้วนะท่านก็เลยทําเล่นๆเลยครั้งนี้ทําเล่นๆทํำสบายๆนะสบายๆปรากฏจากการที่ทําเล่นๆสบายๆนั้นะท่านก็กายเป็นถูกทางนะกายเป็นถูกทาง ก็เลยเข้าใจวิธีจเจริญติณนะเป็นแบบนี้เองนะไม่ต้องไปคอยเพ่งคอยจ้องเขาอะไรมากมายแล้วก็ตามรู้ไปเขาเผลอก็ไม่เป็นไรหลงก็ไม่เป็นไรเรากลับมารู้ได้ไหมใช่ไหมเพราะนั้นหลวงพ่เทียนจึงบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็หมายความว่ายิ่งหลงยิ่งรู้นะ ม, นมันยิ่งต่างกันแต่และ ว, วิธีบอกให้เราจิตสงบให้เรามีจิตนะคอยประคองตัวรู้ต่างๆแต่นี่กลับตรงกันข้ามนะ ม, นมันกลายเป็นตัวกันข้ามไปเพื่ออะไรเพราะว่าให้เราเห็นความจริงนะว่าจิตเป็นอย่างไร จิเป็นอย่างไรก็คือจิตมันไม่เที่ยงเราบังคับเขาไม่ได้นั่นเองใช่ไหมเขาก็เผลอเขาก็หลงได้เพราะว่านี่เราบังคับก็ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมจะไม่เผลอไม่หลงได้ไหมบังคับได้แต่ก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองนะมันเป็นของชั่วคราวใครๆก็ทําได้ของชั่วคราวนี่แหละแต่จริงๆแล้วเราบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็หลงก็เผลอได้เราก็ไม่เป็นไรเออหลงแล้วเผลอมันไม่เป็นความผิดของเราใช่ไหม แต่เราสําคัญว่าเรารู้ได้ไหมนะพอเรารู้เขาก็กลับมารู้แล้วก็กลับมาจากการที่เขารู้แล้วกลับมาบ่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็เลยทําให้ท่านเข้าใจนะ อ, อจิตมันเป็นแบบนี้นะเราไม่ได้ปเอาจริงเอาจัง เ, เข้าเราก็รู้สาบายๆนี่แหละเข้าเก๋ล้วก็รู้ทันเนี่ยมันการเขย่าทันรู้ทําให้จิตก็ตื่นตัวขึ้นมาได้นะเพราอแล้วเมื่อมาครบหนึ่งเดือนแล้วท่านก็เริ่มไม่ไปสวนโมกท่านก็อยู่ในสายลมเทียนต่อหนะลังนั้นเวลาท่านพูดเรื่องการปฏิธรรมพูดบ่อยๆว่าอ ทำระบายระบายอ่ะแล้วก็วางใจเล่นๆแต่ทํำไปเรื่อยๆนะตรงเนี้ยก็คือเป็นสิ่งในประสบการณ์ของท่านเนาะเพราะฉะถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้ว่าเออถ้าเราวางใจอย่างไรนะเพราะส่วนมากนักใบบัตทใหม่ๆก็มีความมุ่งมั่นมีความเอาจริงเอาจังเป็นส่วนใหญ่ก็จะไปเพ่งเอาหรือว่าต้องไปประคองตัวรู้นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันมันก็รู้ว่าลิมิตเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้ารู้ทํำไาแล้วรู้สึกมันมันมันนั่นมันตึงมันเครียดมันมึนหัวก็แสดงเราไปเพลงไปแล้วเนาะคราวนี้ถ้าเราทําด้วยธรรมชาติมันก็จะสบายติดก็จะผ่อนคลายนะตรงนี้มันก็จะเห็นความจริงนะเพราะการไปทำโดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่ว่าไปบัตรเพื่อดีถ้าเราไปบัตรเพื่อดีแล้วถ้าเราไปบัตรเพื่อดีนะมันจะมีความทุกข์ใช่ไหม เราอยากให้มันดีนะอะอยากให้มัน <c oughs> มีสติทุกๆวันน ะ, อ, ะอยากให้มันดีพอมันมันดีเราก็ดีใจใช่ไหมแต่พอมันไม่ดีไม่มีสติเราก็ไม่ชอบใจเหน็นไหมจิตที่มันตรงเนี้ยเขาเรียกมีความทุกข์แล้วเพราะเราอยากนะอยากก็เรียกเป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็มีความทุกข์เ <c oughs> พราะฉะนั้นการปฏิธรรมก็คือเราเรารู้ด้วยความเป็นกลางของใจนะรู้ด้วยความเป็นกลางของใจก็คือวันนี้มันดีก็ไม่เป็นไรอ่า พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยมันมันจริงอถูกต้องไม่ใช่มันดีเราชอบใจเพราะมันไม่ดีเราก็เลยไม่ชอบใจแต่ถ้ามันดีก็ไม่เป็นไรมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยใจมันจะเป็นกลางนะพราะการบัติธรรมเนี่ยจริงจริงต้องรู้ในความเป็นกลางก็คือมันไม่ต้องไปอยากได้อะไรเพราะหลวงพเทียนบอกว่าอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเพราะความอยากอะไรก็แล้วแต่นะมันมันไม่มีทางสมบัติหรอกเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นความอยาก แต่ความอยากนั้นมันจะแรงความไม่เที่ยงเราเห็นเราเห็นไหมบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนี่เป็นความจริงต่างหากว่าเราเห็นไม่ความไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าอยากเขาดีพอไม่ไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจนั่นก็คือเราทําำในตัณหานั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้ก็คือมันมันเป็นการที่เรียกว่าเรารู้ตามความเป็นจริงมากกว่าใช่ไหมมันดีก็ไม่เป็นไรมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้มันใจจะเป็นกลางเองนะแต่เราไม่ต้องทําให้เป็นเป็นกลางเพราะความเป็นกลางมันทําไม่ได้ใช่ไหม แต่เพียงแต่เรารู้ไปตามความมันจริงนะมันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะมันดีก็ไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรมันผูกก็ไม่เป็นไรมันผิดก็ไม่เป็นไรเนี่ยใจก็จะเป็นกลางเพราะว่าเราเรายอมรับสภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะตรงเนี้ยมันจึงเกิดเกิดการที่เราว่าใจมันเป็นกลางได้แล้วมันจะเป็นผู้ดูจริงจริงใช่ไหมความเป็นผู้ดูเนี่ยมันมันสามารถที่จะสังเกตสิ่งต่างได้ได้ดีกว่าใช่ไหมเมื่อเราไปดูกีฬานะปวะมาณคนไทยจะเยอทเออ พอไทยเล่นดีแล้วก็ดีใจมากนะดึงประตูได้ก็ดีใจแต่พอเสียประตูแล้วก็เราก็เสียใจใมากอันเนี้มันไม่ได้ดูด้วยความเป็นกลางใช่ไหมแต่เราดูด้วยความเป็นกลางเราเห็นว่ามันมันเล่นยังไงนะอ่ามันเสียเราก็ดูมันก็เข้าใจมันเ อ, อ่อีกสุดายอีกฝ่ายนี้เขาก็เล่นดีนะครั้งนี้พอเราพอเราเล่นชนะเราก็ดูด้วยความเป็นกลางได้เออเราชนะนะ ไม่เป็นไรแสดงอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็หละหลวมนะเราก็ไม่ได้ไปดีใจเสียใจเราจะเห็นความจริงของทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เป็นการเราก็จะไปมันจะมีอคตินะไปเข้าข้างฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมันก็จะไม่เห็นความจริงใช่ไหมเพราะการดูจิตใจก็คือเช่นนั้นนะไม่ใช่ว่าต้องให้เขาดีนะอต้องดีต้องต้องดีทุกๆครั้งนะต้องไม่โกรธไม่รักไม่เไม่ชังอต้องไม่หลงนะอ แต่ว่าเขาโกรธเขารักเขาชังเขาหลงอเราเราตรงเนี้เราดูก็ได้ไหมนะเพราะเมื่อเราเห็นความจริงเราจะไม่ไปเบียดเบียนไม่เบียดแสกแซงเขานะแต่เราอยากเขาดีเราจะไปแทรกแซงเขาเ อ, อความหลงไม่ดีนะความคิดไม่ดีจัดการให้มันหายหลงเลยความโกรธไม่ดีนะจัดการให้มันหายโกรธเลยอันเนี้ยก็เรียกว่าเราเราเป็นผู้เป็นแล้ว <c oughs> เป็นผู้เป็นก็คือเราไปจัดการเนี่ยเขานะอ่าเราไม่รู้เฉยใช่ไหม แต่ถ้าเรารู้ในความเป็นกลางน ะ, ะมั น, ม, นมันมีความคิดก็ไม่เป็นไรเราดูเข้าไปนะ <c oughs> ไม่ต้องไปงจัดการให้เขาดับไปนะมา <c oughs> เพราะว่าถ้าเราจัดการให้เขาดับไปเราจะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเขาสามารถเกิดและดับได้เองใช่อ่าความโกรเหมือนกันนะมันเกิดมันแล้วมันต้องดับแน่นอนนะมาแต่ความโกรเป็นสิ่งไม่ดีต้องจัดการให้มันดับไปอันเนี้ยเราจะไม่เห็นความเกิดดับของเขาเองแต่มันจะมีตัวเรามีตัวเราก็ไปจัดการสิ่งต่างได้นะอา ไม่ดีปุ๊บจัดการมันเลยนะฮะเนี่ยมันมีตัวเราแทรกแสงอยู่ทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากจะดีแม้เราอยากจะดีมันจริงต้องจัดการให้ดีสมใจนะแต่ถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางมีความคิดก็ไม่เป็นไรก็ดูมันไปเฉยๆนั่นแหละในสุดเขาจะแสดงความเกิดความดับให้เราเห็นนะมีความโกรธก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเฉยๆนั่นแหละเขาก็แสดงความเกิดความดับให้เราเห็นอันนี้มันเป็นปัญญานะปัญญาในการเห็นสภาวะธรรมนี่ไม่ไม่เที่ยง มีความเกิดความดับอันนี้มันมีโอกาสเป็นรูปเป็นภาพระยะบุคคลได้เลยนะเหมือนกับที่พระคกลนัญญาณนั่นแหละท่านเป็นพระตสดาบันก็ได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเนาะเราก็จะได้เข้าใจธรรมะได้โอ้ทุกอย่างเป็นแบบนั้นเองนะเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยนะเมื่อเราบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้มันจะเริ่มเห็นความจริงไปละโอ้จากเมื่อก่อนเราเคยไปบัตธรรมด้วยความทุกข์เ <c oughs> มื่อก่อนเราเ ค, เคยนั่งสมาธิโอ้จิตสงบดีจังเลย ก็ไปติดในสถาบันที่บ้างนะติดความสงบบ้างความสุขบ้างติดในนิมิตต่างๆบ้างพอมันไม่ได้มันมันก็มีความทุกข์ใช่ไหมแต่พอเราเข้าใจธรรมะแล้วโอ้ไม่เป็นไรนะมันเป็นเช่นนั้นกับมันเองเราบังคับมันไม่ได้บางครั้งมันก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบนั่นนี่เราเจาะจากความทุกข์จากการปฏิธรรมนะเพราะนั้นประวัติธรรมเนี่ยถ้าเราจะไม่ทุกข์นะมันก็คือการกำมาเห็นความจริงนั่นเองนะไม่ต้องไปเอาดีอะไรก็หล้วเพราะว่าความจริงเนี่ยเขาจะแดงพระไตรลักษ์ตลอดเวลาใช่ไหมความไม่เที่ยงนะ อเมืา่อวาันดีวันนี้ไม่ดีเนี่ยเขาก็แสดงความไม่เที่ยงแล้วเห็นไหมเราเรานั่งต้องนานปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิบทนี่ก็แสดงความจริงแล้วว่าเนี่ยเราทนในความว่าเดินไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะ <c oughs> เราเดินจงกลมนะ <c oughs> เดินจงกลมเดี๋ยวก็คิดละอา้บบวอาวคิด บ, บักไปละอเดี๋ยวคิดบักไปละมันก็เห็นความจริงแล้วนี่เราบังคับก็ไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวมันคือคิด บ, บักไปคิดบักไป เรายังไม่รู้เลยนาทียังหน้ามันจะคิดอะไรใช่ไหมมันเป็นสิ่งระบังคับก็ไม่ได้นะเขาก็เป็นความคิดเขาก็ทํางานของเขาเองนะกายและใจเนี่ยมันมันมันสามารถทํางานของเขาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นความจริงมันมันง่ายนะการทำมันกลายเป็นง่ายเลยเมื่อก่อนเราต้องให้มันดีนะร่างกายต้องดีจิตใจต้องดีแต่เราเห็นความจริงก็ได้ว่ามันมันมันทำงานมันเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นความความที่มันไม่ดีน่ะก็คือมันทํางานมันเองแล้วก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ดีใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนขี้งุนหงิดขี้โกรธนะขี้บ่นนะแต่มันมันเป็นเช่นนั้นเองแต่เรากลับมารู้ได้ไห อ, อขนานี้เราบ่นแล้ว <c oughs> นี่ยมันต้องกลับมารู้ความจริงในตรงนี้นั่นแหละบางคั้งเราเคเห็นโอ้คนนั้นทำไมไม่เปลี่ยนแปลงนะทําไมเขาไม่รู้ตัวหรือว่าเขาเป็นคนขี้งุนหงิดทําไมเขาไม่รู้ตัวหรือเขาเป็นคนขี้บน่นเราลาคาญอย่างเลยนะแต่ในหนาเดียวกันเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่เราไม่เคยรู้เลยนะไม่เคยรู้พ้นการที่เรารู้ความจริงนั่นแหละจะกลำรู้ตัวเองตอนนี้เราหงุดหงิดแล้วนะ เราเราบนแล้วนะถ้ามันมันรู้ปุบ๊บมันก็เลยแก้ไขได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันสาคัญมากเพราะการรู้ความจริงเนี่ยมันมันเป็นการแก้แก้อนุสัยกิเลสเก่าๆของเราที่มันสะสมมานานแล้วแต่เราเะมือไม่รู้ความจริงมันก็จะเป็นเช่นั้นต่อไปเรื่อยๆนะเพราะการเปิดทางบ้างก็คือการรู้ความจริงโดยใจเป็นกลางนี่แหละเราจะเห็นว่าเออมันแสดงสิ่งต่างตลอดเวลาเลยเราบังคับก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะร่างกายนะก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมลมหายใจปลอดก็ทํางานเองใช่ไหมหัวใจก็เต้นเองใช่ไหม ก็พออาหารเขาก็ทํางานเองแล้วไม่ไปสั่งใช่ไหมเลือดต่างๆก็ทํางานเองมันเลี้ยงดูร่างกายเองนะมันเป็นภาวะหนึ่งที่เร า, าไม่ได้บังคับ บ, คบังคับเขาไม่ได้เลยใช่ไหมหรือแม้แต่การที่ผมงอกตาฟางหูตึงผิวหนงังย่อนมันก็เป็นเรื่องของเขาเองมันไม่ใช่เราไปทําให้ก็เป็นใช่ไหมจิตใจก็เหมือนกันนะเขาก็คิดของเขาอยู่แล้วนะคิดของเขาอยู่แล้วความโกรธต่างๆหรือว่าอะไรเขาทางานเองหมดเลยเป็นเรื่องของใจเพราะเราก็มีหน้าที่แค่รู้แค่ดูไปเท่านั้นเอง เมื่อเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่กว่าเราจะเกิดภาวะหนึ่งคือการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะมันไม่ได้ไปบังคับจัดการอะไรเขามันเป็นภาวะที่เรารู้เฉยๆรู้ซื่อแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งกับเขาด้วยนะแล้วก็กลายเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้รักผู้เกลียดผู้โกรธผู้ชังแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วก็ดูมันไปเป็นดูความรักความโกรธความเกลียดความชังเป็นผู้ดูนะ เห็นมาเราก็เห็นความจริงเออใจเป็นแบบนี้นะใจแล้วมันชั่วจริงๆนะมันมันทำให้นิสัยวันนี้นะไม่เคยเห็นจิตใจเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะอ่ามันจะเริ่มเข้าใจละเมื่อเริ่เข้าใจจิ๋มก็เริ่มวางเริ่มปล่อยใช่ไหมเพราะเราจัดการอะไรก็ไม่ได้เรารู้มันเท่านั้นเองมันก็เราเรามีเด็กใช่ไหมมีคนเอาเด็กมาเราดูแลคนหนึ่งเด็กนี่มันสนมากเลยนะมันทําไมอ่ามันชอบร้องไห้ชอบส่งเสียงดังมันดื้อมันไม่เชื่อฟังเรา แล้วก็ทําอะไรซนๆอะไรตลอดเวลาทั้งวันเลยนะมันทําไมแบบนี้แต่เราอยากให้มันเด็กมันเรียบร้อยให้ให้เด็กไม่ร้องไห้ไม่เสียงดังให้ให้เรียบร้อยให้อยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จัดการอย่างนี้นะจัดการามันทำไมเป็นแบบนั้นเราเรก็จัดําได้โชว์ข่าวว่าเผ้อแป๊บเดียวก็เป็นอย่างเก่าอยูแล้วใช่ไหมเราก็เกิดความอึดอัอ้ทำไมเด็กเป็นแบบนี้นะไปดูเด็กเืยมันก็คล้ายๆกันนีมันก็นิสัยคล้ายๆกันนี่แหละ ครั้นี้เราดูไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าโอเด็กจริงๆมันเป็นแบบนี้นะเราเราบังคับเขาไม่ได้หรอกมันก็เป็นนั้นของเขาเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มื่เราเข้าใจเด็กแล้วเมื่อเข้าใจความเป็นไปของเด็กเข้าใจนิสัยของเด็กอย่างแท้จริงแล้วมันก็เลยเกิดการปล่อยกันวางที่เราจะไปจัดการให้เขาดีนะมันก็ดูเข้าไปตนั้นเองเข้าใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละใช่ไหมันก็เป็นมันนั้นเองนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชัาง เดีวก็ขึ้นขึ้นลงลงนะเดี๋ยวก็เอาผิดเอาถูกเดี๋ยวก็ไปเพ่งโทษเดี๋ยวก็ไปอะไรเยอะแยะใช่ไหมตรงนี้เมื่อเราเข้าใจเขาแล้วปุ๊บมันก็เกิดการปล่อยกันวางเหมือนกัน ร, รู้ว่าเราทําอะไรก็ไม่ได้เลยมันก็เกิดการปล่อยกันวางการไม่ยึดติดนะเราก็มีหน้าที่สังเกตเขาเท่านั้นเองนะใจเราก็สังเกตเขาแต่ไม่ใช่ว่าเราสังเกตแล้วก็จะชั่วนะเรามันตรงนี้มันเป็นการเดินในระดับปัญญานะมันไม่ชั่วหรอกใช่ไหมมันอาจจะทําผิดเล็กเล็ก น, น้อยแต่มันไม่ได้มีความชั่วร้ายอะไร <N ic ator> แต่มันก็เป็นการเรียกว่าเรารู้อนุสัยกิเลสของเรานะเมื่อเรารู้ในตรงนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเนาะพราะเราเริ่มรู้จั ก, จกเขาแล้วเนาะเหมือนกับคนคนคนบ้าใช่ไหมคนบ้าเมื่อไหรที่ไม่รู้ว่าตัวเองบ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกแต่ก็เริ่มรู้ว่าเออตอนนี้เราเป็นคนบ้าแล้วนะมันก็จะหายบ้าเพราะมันเริ่มรู้จักตัวเองแล้วนะเมื่อเรารู้จักเออตอนนี้เราเป็นคนนิสัยอย่างไรนี่แหละมันเป็นการปรับปรุง ปรับปรุงนิสัยกิเลสให้เขาดีขึ้นให้เขาโตขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณให้เราสูงขึ้นนะพัฒนาจากอะไรจากอนุสัยกิเลสที่มันขี้โกรดนั่นแหละขี้งุนหงิดขี้น้อยใจขี้เสียใจเมื่อเรารู้ทันบ่อยๆปุ๊บมันก็จะเล็กลงน้อยลงเบาลงแล้วก็หายไปนะเราจะตั้งเกตได้เมื่อเราเริ่มรู้มันก็จะเริ่มเบาลงน้อยลงเพราะงั้นกิเลสมันไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวเรารู้ทันนะรู้ทันไปนะ่าคนที่โกรธเก่งนะคนเนี้ยจะไปปฏิทินได้ผลเร็ว พราว่าความโกรธมันชัดเจนมันเห็นได้ง่ายมันเป็นสิ่งที่แรงเมื่อสังเกตปุ๊บก็สังเกตปุ๊บมันจะเบาลงน้อยลงแต่ถ้าใครสังเกตไม่ได้นะมันก็ยังอยู่อย่างเก่านะอเราสังเกตอะไรได้มันจะเล็กลงเบาลงเพราะนั้นการที่เรามีตัวตนนี่แหละเมื่อเราไปฏิัติธรรมเราจะเริ่มสังเกตตัวตนได้แล้วแลตอนนี้มีตัวเราแอบแฝงอยู่นะมีตัวเราอยู่เบื้องหลังนะมีตัวเรามีส่วนได้เสียเมื่อเราสามารถสังเกตตัวตนเราได้มันเป็นอย่างไรนะอมันตัวมันเก่งไหมทําแล้วตัวเราวิเศษไหม เราเป็นนักแบบเราดีกว่าคนอื่นไหมเมนะื่อสามารถสังเกตตรงนี้ได้โตโต้นเราก็เล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงนะตรงนี้มันเรียกว่าเป็นการปล่อยการวางจากการที่เราเข้าใจจากการที่เราสังเกตรเรารู้เราเห็นเราเข้าใจในปรัชญธรรมในตรงนี้มันก็จะเล็กลงเบาลงแต่เราสังเกตไม่ได้มันก็อยู่ในใจเราตลอดไปแล้วมันจะเติบโตก็เรื่อยๆนะเพราะนั่นการแบบธรรมก็คือการมาพัฒนาจิตวิญญาณเท่านั้นเองให้ให้เห็นมารตาลักเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปาตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละเมื่อเราเห็นในตรงนี้ก็เ ร, เรียกว่าเราเดินปัญญาได้วนะ อนุทัยกิเลส ต, ต่างๆและความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันก็จะค่อยเล็กลงน้อยลงแล้วก็ในสุดก็หมดไปเพราะเกิดการรู้ทันในภาวะธรรมต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็คือผลทายงาน้นทุกที่แท้จริงเนาะเพราะในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบ ร, รมีคุณพระไตร น, น้อมนาทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพนันทุกท่านเทิด